ตอนจงใจพูดเพื่อแทงคนอื่นข้างหลังลิงคนเราให้ความรู้สึกแหลมคมดุดปลายมีดได้โดนแทงข้างหลังของแท้คือโดนคนอื่นใส่ใครด้วยความจงใจทาลายล้างกันเผลอแทงข้างหลังโดยไม่ตั้งใจคือตีไข่ใส่สีตามอารมณ์ไม่คิดให้ดีเสียก่อนพูด ทุกคนรู้สึกเจ็บปวดกับคำร้ายร้ายที่มีมาถึงตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำร้ายร้ายที่สร้างความเสียหายในหน้าที่การงานหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวทุกคนจึงเกลียดการโดนแทงข้างหลังแต่แน่ใจรู้ว่าเกลียดอย่างไรไม่เคยทำอย่างนั้นคนเราเวลาหาเรื่องคุยกันจะในบรรยากาศเบาๆหรือหนักๆักก็ตาม มักหยิบยกคนโน้นคนนี้มาพูดถึงเพราะเรื่องของคนเป็นเรื่องน่าคุยน่าให่อยากตีไข่ใ ส, ส่สีตามอารมณ์ลองสังเกตตัวเองดูคุณอาจพบด้วยความประหลาดใจว่าแนวโน้มที่จะพูดคุยถึงคนอื่นให้ออกรสให้สนุกปากให้เฮฮากันได้นั้นมักต้องหยิบยกเรื่องร้ายๆมาเป็นประเด็นและการพูดถึงคนอื่นในแง่ลบแง่ร้าย ก็เป็นความเคยชินที่สะสมกันง่ายซึ่อด้วยใครๆก็ทำได้ไม่ใช่เรื่องต้องฝึกสักเท่าใดแต่ที่จะหยิบยกเรื่องดีๆของคนอื่นมาตั้งเป็นหัวข้อสร้างแรงบันดาลใจให้ออกรถให้คล่องปากให้คึกคักได้เป็นเหมือนการว่ายน้ำทวนกระแสํำได้ยากและไม่ค่อยมีใครก็ททำกันคนส่วนใหญ่จึงอยู่ในวังวนของการแทงข้างหลัง จะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเพื่อจะเริ่มรู้ตัวขึ้นมาบางทีต้องอาศัยข้อสังเกตเช่นทบทวนดีๆว่าถ้าใครรู้ว่าคุณพูดถึงเขาอย่างที่หลุดปากออกไปครั้งล่าสุดเขาจะรู้สึกว่าโดนคุณแทงข้างหลังหรือเปล่าแต่ถ้าเคยจเจริญสติเคยเห็นกายเห็นจิตตนเองได้มาบ้างคุณอาจระลึกณจุดเกิดเหตุเลยทีเดียวว่า ขณะพูดถึงใกลในทางเสียหายลิ้นของคุณให้ความรู้สึกแหลมคมเหมือนปลายมีดพุ่งไปทิ่มแทงเขาหรือเปล่าถ้าใช่ก็ให้สันนิฐานว่ามีเจตนาประทุษร้ายปรุงแต่งจิตให้พุ่งออกไปเป็นห อ, อกดาบเมื่อจิตร้อนคำย่อมร้อนให้เร่งรู้ตัวเตือนตอนเองให้ถูกว่านั่นเป็นวจีทุจริตเป็นอกุศ ล, ลกรรม อย่างไรก็ตามการอยู่ในสังคมมนุษย์บางครั้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้จำเป็นต้องพูดถึงแง่เสียหายของคนบางคนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายไปถึงส่วนรวมเช่นถ้ารู้จริงว่าใครโกงใครก็จำเป็นต้องบอกให้เพื่อนร่วมงานระวังตัวหรือถ้ารู้จริงว่าใครเจ้าชู้ยักษ์ก็จำเป็นต้องบอกคนใกล้ตัวให้ออกห่างบ้าง การพูดถึงของเสียของคนอื่นด้วยเจตนาดีจะให้ความรู้สึกเหมือนเกิดน้ำบริสุทธิ์ขึ้นในปากที่สรดออกไปเพื่อไล่ล้างความสกปรกเป็นไปเพื่อความสะอาดหอมไม่ใช่เป็นไปเพื่อให้ปากเหม็น